เสของพระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าก็คือบอกว่าโดยที่สุดเนี่ยพระโพธิสัตว์เป็นผู้มีใจเอ็นดูในสัตว์จิตใจที่เอ็นดูมากโดยนสุดฝันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่พึงเกิดความอาฆาตเออใครเคยฝันร้ายไหมฝันแล้วกโกรธอาฆาตคนอื่นพระโพธิสัตว์คิดดูเนี่ยปิดมุมได้ขนาดนั้น แปลว่าอะไรรู้ไหมชาวนาที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านไข้ควรกุศลอย่างต่อเนื่องและมีกําลังมากเลยเมื่อกุศลเดินจนเป็นต่อเนื่องจนเป็นอาจินกรรมอาจินกรรมท่านแข็งแรงมากทําเสมอเสมอทำอย่างต่อเนื่องเป็นไปกระทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลอย่างต่อเนื่องเวลานอนนี่หมดความหมายเลยคำ ห, หมดความหมายเพราะว่าบาปจะไม่แทกจะไม่แทกแล้วเพราะขนาดจิตใจอ่อนแอขนาดนั้นบาปก็ไม่มีโอกาแสแทก อย่าลืมนะคนเราในใกล้ตายเนี่ยบาปแทรกง่ายด้วยเพราะตอนนั้นกระแสของเชาวน้ําอ่อนนะอ่อนแอเนะจิตใจอ่อนแอร่างกายก็อ่อนแอใช่ไหมจิตใจก็อ่อนแอมากอารมณ์ใดที่มาเกี่ยวข้องตอนนั้นเด่นชัดมากแล้วก็เกาะอารมณ์นั้นเพราะเราเป็นคนใกล้ตกน้ําคนจะจมน้ําคนจะจมน้ําเนี่ยขี้ควายหยาบหยาบกับมพะพร้าวแห้งรอยมาก็เกาะใช่ไหมก็ก็กลัวตายอ่ะอะไรอีกมาก็เกาะ หมาเน่าลอยมาก็เกาะขอนไม้งามๆลอยมาก็เกาะชั้นใดเราท่านทั้งหลายถ้าในปัจจุบันกรรมนี้นะถ้าจเจริญทางกุศลเสียกุศลได้ไม่ต่อเนื่องจริงนะไม่เดินได้ในกระแสของชีวิตได้จริงนะนั่นแหละถ้าอกุศลมันมาแล้วเราจะปฏิเสธอกุศลอย่างไรเพราะอัจยาสายเราสั่งสมได้ไม่ต่อเนื่อง น, ะนั้นควรทําให้ต่อเนื่อง ตรงนี้ก็คือว่ายินดีในการช่วยเหลือผู้อื่นฮะเป็นบรรพชิตเป็นผู้ประพฤติห่างไกลจากอับประมาจันนะปราศจากมีถุนสังโยชน์ปราจากความยินดีในการบำเรอในการเล่นหัวเป็นต้นเหล่านี้นะในการเพ่งดูเอย่ยในการฟังเสียงของมาตคามปราศจากความยินดีในการระลึกเนืองเนืองเป็นต้นปราจากความยินดีเครื่องบำเรอของกระดือหัดกระทําไม่ร่วงละเมิดภรยาข้าวหมูคลอื่นเป็นต้นเหล่านี้นะ และกล่าวทําตามการไม่โลภไม่พยาบามบัณฑมีความเห็นวิจิตรประกอบด้วยกรรมสักกาสมาธิฏิมีศรัทธาที่มั่นคงมั่นคงมากอันนี้หมายความบอกว่าท่านพิจารณาในหลักปฏิบัติไม่ลักไม่ประพฤติผิดไม่พูดเท็จไม่พูดสอเสียดไม่พูดคําหยาไปพืดเพิรเจอเป็นผู้ไม่โลภนะจึงมีลาบตามที่ต้องการให้สังเกตดูนะเพื่อแต่ละข้อเนี่ยทําแล้วได้อะไรทําแล้วได้อะไรดูตรงนี้หน่อยพอดีเวลาจุกจิเช่น นะให้อภัยแกสัตว์ทั้งหลายไม่เบียดเบียนก็บรรลุอา น, นิสงฆ์เมตตาเห็นไหมเพราะการไม่ฆ่าไม่คิดโกรธใครเนี่ยนะได้บรลุอา น, นิสงฆ์เมตตาหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายทเทวรารักษาเป็นทิรักของมนุษย์เป็นทิรักของมนุษย์เทวรารักษาไงนะไฟสตรายาพิษต่างๆไม่กร้ำกายไม่หลงทําการกริยาเป็นต้นเหล่านี้ ประกอบด้วยความมีอ า, าพาธเป็นน้อยเป็นต้นไม่เจ็บป่วยมีอายุยืนมีสุขมากมีลักษณะพิเศษตัดวาสนาคือโทษะเป็นต้นได้ด้วยการไม่รักจึงได้โภคาสมบัติไม่ทั่วไปแก่โจรก็หมายความว่าทนการไม่รักเนี่ยโจรเห็นไหมโจรก็ไม่ป่นน้ําก็ไม่ท่วมไฟก็ไม่ไหมแผ่นดินก็ไม่ไหวเนี่ยหน้าคบหามีใจไม่คล่องในภาวะสมบัติชอบบริจาคและตัดวาสนาคือโลภะได้ พรประพฤติผิดเพราะพรไม่ประพฤติผิดพรหมยันไม่ล่วงเมถุนในสังโยชนจึงเป็นผู้ไม่โลเลอย่าลืมนะใครประพฤติผิดศีลก็สามมากมากถ้าในปัจจุบันเห็นชัดจัะเป็นคนที่โลเลโลเลในการเดินทางโลเลในเครื่องแต่งตัวในเครื่องประดับโลเลในอาหารใช่ไหมโลเลในเพศตรงกันข้ามโอโลเลเยอะเลยในความโลเล เราไปไม่โรเลแล้วเพราะเราประพฤติศีลข้อสามั่นคงมากมีกายใจสงบเป็นที่รักไม่เป็นที่รังเกียจของสัตว์ทั้งหลายเกจิสาบัญญัติก็ฟุง้งอัตยาศาัยไม่โลภด้วยเนคขมมะย่อมได้ลักษณะพิเศษตัดวาสนาคือโลภะเป็นต้นได้เห็นไหมพอทําอย่างนี้เราจะได้อย่างนี้ทําอย่างนี้เราจะได้ไม่พูดเท็จจึงเป็นที่เชื่อถือไว้ใจได้มีถ้อยคําที่น่าเชื่อถือเป็นต้นเหล่าเนี้ ได้ลักษณะวิเศษก็คือตับกิเลสได้ไม่พูดสอเสียดทําไมมีหมู่คณะไม่แตกแยกก็เพราะไม่พูดสอเสียดไงฉะนั้นเรามีบริษัทบริวารทั้งหลายบริบรษัทบริวารก็เป็นปึกแผ่นใครจะพยายามให้บริษัทให้บริวารเราแตกแยกก็ไม่แตกแยกเห็นไหมไม่แตกแยกในศัตธรรมโดยเฉพาะก็คือว่าสมมติเราปฏิบัติในคําสอนนี้นะ ปฏิบัติเข้ามาเสร็จเสร็จมีใครมาบอกว่าเออ น, นี่ผิดแล้วมาทางนี้ดีกว่าเราก็มีแยกเพราะเราวิจัยมั่นคงไงเห็นไหมโทษต้องการรักษาศีลข้อสดีเนี่ยโอ้โหจิตใจที่มั่นคงต่อพระสรัตธรรมด้วยเนอะมั่นคงด้วยเนะประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องทุกวันนี้เราลองติเดี๋ยวไปฟังเออทั้งๆผิดด้วยนะเออมันน่าทดลองปฏิบัติดูเนี่ยไปแล้วนะใจมันโรเล่พอจะเข้าหาคําสอน ก็ยังไม่ยอมเอาอยู่ในเรืของจริงๆเนี่ยนะในคำสอนในพระไตรปิฎกบอกไว้อย่างละเอียดไม่ทำอีกออไปทำอีกอย่างนี่ไงโลเลไหมเนี่ยถ้าหากได้กุศลศีลก็ไม่พูดคำหยาบ ก, ก็เป็นที่รักนะมีเสียงประกอบด้วยองค์8ไม่พูดเพ้อเจ้อพูดพอประมาณมีศัก์ใหญ่มีอนุภาพมากฉลาดในการแก้แกปัญหามีไหวพริบปริภาณด้วยเนี่ยทนการไม่พูดเพ้อเจ้อดี แล้วก็แก้ปัญหาได้มากมายเนี่ยสัตว์ต่างภาษาเนี่ยหมายความว่าทําไมพระบรมศาสดาจึงได้ฐานะในการพูดภาษาเดียวคนเป็นหลายร้อยล้านฟังแล้วเข้าใจนี่งไงเพ่อไม่พ่อไม่พูดเพ้อเจอองั้นเราอยากได้คุณสมบัติแบบนี้ไหมล่ะต่อไปก็สมาทานอยากเพ้อเจอืใช่ไหมต่อไปเราพูดภาษาดิพูดพูดนิดหน่อยคนก็เข้าใจเราได้ ทุกวันนี้ขนาดไปบอกไปบอกคนอื่นบอกแล้วบอกอีกบอกจนคอแห้งเขาเขาไม่เข้าใจ <c oughs> เนี่ยโทนการพูดเพเจอพูดแล้วพูดอีกบอกแล้วนะ่นี่ทาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไอ้วันนันไปทําอีกอย่างนะโอ้หน้าคิดไหมความเป็นผู้ไม่โลภจึงได้ลาบตามความต้องการถามตอนนี้คิดอะไรได้ไหมไม่ได้เลยคิดมาตั้งนานแล้วใช่ไหมบางคนคิดจนผมร่วงนะ ไม่เห็นสมความปรารถนาสักทีเลยเนี่ยเพราะเพราะโลภมากเกินไปเห็นไหมต่อไปเราจะสมาทานความไม่โลภได้ความชอบใจในโพค้ามากมายหวงอะไรก็ได้กษัตริย์มหาศาลพรหมนาะมหาศาลก้าวบดีมหาศาลได้ไ ง, ไง่ายๆหรือเทว่าสมบัติจักรพักษ์สื้อบัตรสัมมาสมัมโพธิญาณปเจโผธิญาณสาวกสาวโพธิญาณปรารถนาอะไรก็ได้เพราะไม่โลภ เ, เพราะไม่พยาบาทเป็นที่รักเป็นที่ยกย่องของสัตว์ทั้งหลาย ให้สัตว์เลื่อมสได้โดยไม่ยากอพอเราลองดีโอ้หจะทําให้คนเลื่อมสา ย, ยากที่สุดนะเนี่ยัตยาสายขี้โกรธคนขี้โกรธคนไม่ค่อยเลื่อมสาหรอกพออยู่ไกลๆขี้โกรธใช่ไหมแล้วคนมีเมตตาต่างหากเป็นที่เลื่อมสของคนได้เป็นผู้พอใจอย่างยิ่งในประโยชน์ผู้อื่นเป็นผู้มีสภาวะไม่เศร้าหมองอยู่ได้เมตตาเป็นผู้มีศักดิ์และมีอนุภาพมากฉะนั้นอยากมีเดชมากๆอยากมีอนุภาพมากๆต้องไม่โกรธอยากมีทรัพย์มากๆต้องไม่โลภใช่ไหม เป็นผู้ไม่เห็นผิดจึงย่อมได้สหายแม้จะถึงตัดศีรษะก็ไม่ทำกรรมชั่วเนะเป็นผู้ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรพัพย์สมบัติของตนเองมีศรัทธาคือศรัทธาของเขามีรากมั่นคงในพระธรรมตรัยนะที่ตอนนี้สัตว์เราสังเกตรากศรัทธายาวอย่างตัวศรัทธาเนะี่ยรากฝังลึกๆ ล, ลงลึกหรือยัง ตรวจสอบแต่ละคนนะถ้าใครรากของศรัทธามันลอยหรือมันสั้นรีบไปต่อเสียมันจะโค่นอยู่แล้วความเป็นอุบาสกเป็นความเป็นอุบาสิกาเนี่ยจะหลุดอยู่แล้วนะฉะนั้นต้องรีบไปสังเกตว่ารากยังลึกยังลึกไหมสามารถจะเป็นปัจจัยการเดินไปเนวะตะได้อย่างมั่นคงที่ศรัทธานในพระรัต น, นตรัยอย่างสูงสุดไหม แปลกบางคนกลัวศรัท ธ, ธากันนะอย่าไปกลัวการไม่มีศรัท ธ, ธาต่างหากน่ากลัวแต่ไม่ใช่มิจฉาทิโมกนะนั่นศรัท ธ, ธาผิดนะัให้สังเกตดูนะว่ารากศรัท ธ, ธามั่นคงหรือไม่ในพระสัต ธ, ธรรมในพระรัตนาตรัยเชื่อการตรัสรู้ของพระเจ้าไหมถ้าเชื่อจริงๆก็เลิกก็ถ้าเชื่อศรัท ธ, ธาพระเจ้าจริงนี่นะถามว่าจะไม่ยินดีในรัฐที่อื่น เห็นไหถ้าใครสอนผิดคําสอนจากคําสอนพระเจ้าไม่ไปเลยประช้างมาลาก็ไม่ไปอย่างนี้นะที่ศรัทธาอย่างลึกแล้วดุจพญาหงไม่ยินดีในที่ขยะใช่ไหมพญาหง์ก็ไม่สนใจขยะพญาหง์เป็นสัตว์สะอาดมากพอใจในที่สะอาดฉลาดในการกําหนดรู้ลักษณะ3มอะไรคือลักษณะสามอันนี้จังทุกครังหน้าตาทีวันวั น, วนหนึ่งทีเราไม่ค่อยกําหนดรู้กันเลยใช่ไหมตรงนี้นะ แล้วก็เป็นผู้มีอนานาวรณญานถ้ายังไม่บรรลุนะโพธิยานนะจะเป็นผู้เด่นในหมู่สัตว์เพียงนั้นได้รับสมบัติมากมายตอนนี้ก็คือถ้าเรายังไม่ได้บรรลุปัจเจกัโพธิยานถ้ายังไม่บรรลุสาวกโพธิยานเราจะเป็นคนเด่นในหมู่สัตว์ตอนนี้ปลาธนาะเป็นคนเด่นหรือเป็นคนด้อยถ้าปราธนาเป็นคนด้อยในหมู่สัตว์หรือเด่นในหมู่สัตว์ ตเด่นไม่ใช่เด่นอย่างเด่นเพราะมีศีลกุศลสมาธิกุศลปัญญากุศลมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นผู้ไม่ประมาทด้วยกาลังแห่งสติสัพจัญญาในการสรํรวจกายวาจาทีนี้หลักพิจารณาศีลศนะีลเป็นเครื่องป้องกันยังไงให้ความสุขยังไงนะในชาตินี้อะไในชาติหน้าอย่างไรได้รับทีนี้ดูอนิสงฆนะ์เป็นผู้ไม่รู้สึกเกเขินเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็ ข้าพิษัทเห็นอานิสงของศีลว่าศีลเป็นน้ําชําระล้างความเศร้าหมองบอกโอ้เราจะราคาโถสาโมหานี่เป็นความเศร้าหมองไม่สามารถจะถูกกาจัดได้ด้วยแก่นจันเหลืองเป็นต้นศีลเป็นเครื่องประดับของบุคคลที่วิเศษทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทั่วไปเนีเป็นมงกุฎด้วยศีลกลิ่นหอมฟุง้งพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูความพิสูจ์ทั้งหลายความตั้งใจของบุคคลผู้มีศีลย่อมสําเร็จนะคนมีศีลบริสุทธิ์ตั้งใจอะไรก็สําเร็จถ้ามีศีลบริสุทธิ์นี้นะ เราก็ได้มุมแล้วถ้าเรารักษาศีลให้บริสุทธิ์เธอตั้งใจอะไรก็สําเร็จโพคาสมบัติเนี่ยไว้ท้างหลังใช่ไหมจกกักภพสมบัติยังหวังได้มารสมบัติพรหมสมบัติเทวสมบัติสักการสมบัติพรหมสมบั ต, กกบ ต, รรบติแม้สาวกบา ร, รมียานปเจพนิยานสัมมาสัมพุริยาณไปจากผู้มีศีลบริสุทธิ์นี้เนี่ยนะศีลเป็นกุศลมีความไม่เดือดร้อนใจเป็นประโยชน์นะดูก่อนก็มอดีสอิศงห้าการก็คือว่า คุณของศีลสามารถนะบอกว่าสามารถพิจารณาบอกว่าโทษเขาถ้าเราพิจารณาอย่างนี้จะเห็นว่าปีติปาโมททั้งหลายเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของศีล น, นะไม่ตีเตียงวินยูชนก็ไม่ติดเตียนอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามองอย่างนี้ว่าในชั้นคําสอนของพระผู้มีพระเจ้าเนี่ยเวลาเหลือนิดนึงยกตัว อ, อย่าง <c oughs> พระเจ้าบำเพ็ญบรารมีกันนี่ในด้านของศีลเนี่ย ในอดีสมัยในราชการเขาพระเจ้าพมรทัก์ของกรุงราณาสีพระโพธิศัสตร์เสวยประชาเป็นวานอนนะวานอนือเป็นลิงหนึ่งมีกำลังวังชามากสามารถโดดได้ไกลถึงรวดเร็วทีนี้ต่อมานี่นะอยู่ในป่าหิมพป่าในป่าหิมามีต้นไม้ต้นมะม่วงแตกกิ่งสาขานี่เคยเล่าไปทีนะึงวานอนเนี่ยนะก็อาศัยต้นมะม่วง มีรสหอมหวานก็ในการต่อไปเนี่ยไม่น่าจะมีภัยแกเราเป็นแน่เพราะผลที่กิ่งยื่นออกไปที่แม่น้ําทั้งหลายเหล่านี้ตัว น, นี้ก็ทําลายก็กลัวว่าถ้าผลม่วงตกลงไปก็จะลอยจะลอยไปผลปรากฏว่ามันมีผลร่วงผลนึงมีมดแดงพุ่งอยู่ใช่ไหมแล้วต่อมาก็หลุดลอยน่ะก็ลอยไปไล่ลําดับเลยก็คือนั่นแหละไปถึงเมืองของพระราชาหมากระสัขณะที่พระเจ้าพระราศีนั่นนะ ถ้าได้ถึงเนี่ยได้เบ็ดเสร็จก็ให้คนไปคว้านหาเบ็ดเสร็จก็พระเจาพระราศรีก็ไปเลยเพื่อจะไปเอาต้นมะม่วงเนี่ยนะเพื่อจะเอามะม่วงวานนอนโพธิสัตว์กับบริวารก็หากินอยู่บนต้นมะม่วงขันจันมีก็จวนตัวอยู่ไม่ต่อนนั้นไปไม่รอดแล้วตอนนั้นมีมีบริวารมากด้วยตอนนั้นวานนอนพระโพธิสัตว์ก็เราจะโปรดให้มหาดเล็กจัดผลมะม่วงมาถวายทุกเวลาพเพื่อ วานอนบร ษ, ษัทได้ฟังก็บอกว่าเห็นภัยจะมาถึงตนนบริวารจึงคิดอุบายให้พ้นไปนะก็ประสบภัยอย่างแน่นอนเบ็ดเสร็จแล้วเนะี่ยทีนี้ก็แม่น้ำตรงนั้นกว้างประมาณหนึ่งรวาหนึ่งรวาถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือว่าท่านก็ที่กระโดดแล้วไปเอาเชือกที่คือเทาวันมัดแล้วก็กระโดดกลับ นี่กระโดดกลับนี่นะถ้าเรามองมองในลักษณะอย่างนี้ก็คือแล้วก็ให้บริวารตนเองโดดข้ามที่จริงบริวารแต่ละตัวนี่เคารพนะเคารพหัวหน้าบริวาร น, นอนที่บริษัทก็ทำความเคารพไปเสร็จก็เหยียบหลังก็ข้ามไปเหยียบหลังก็ข้ามไปตรงเนี้ที่ว่าอดีตชาติของวานนอนเจ้าเล่ย์ตัวนี้ที่มาจับ ได้รับความบอบช้ําตรงเนี้ถ้าเรามองตรงนี้เราจะเห็นนั่นแหละท่านพิจารณาบอกว่าบอกว่าเพราะโพธิสัตว์ถ้าเรามองอย่างนี้บอกว่ากําลังจะกระโดดกับฝ่ายลิงบริวารก็ข้ามไปแล้วก็ค่อยเนี่ยวกดูโพธิสัตว์อยู่ด้วยความเป็นห่วงตอนนั้นก็คือพระยาวราณนสีทอดพระเนตรพฤติการนั่นโดยตลอด ตอนนั้นนะ่ะที่ว่าตอนที่ว่าวานอนที่เป็นอดีตของพระเทวทัตขึ้นไปสูงๆแล้วก็โดดโดดแล้วก็เชือกก็ดึงมือของท่านระจับแล้วก็กระชากใช่กระชากสลีละท่านใช้คำว่าหวัวใจของวานอนบริษัทดนะ่ะแตกสลายแล้วแตกสลายแล้วถ้าเรามองมองอย่างนี้จะเห็นนะบอกว่า ในเรื่องการอุเบกน์ท่านบอกว่าดูก่อนวานอนบอกว่าเจ้าทำตนให้เป็นสะพานให้วานอนบริวารไต่ข้ามไปด้วยสวัสดีท่านเป็นอะไรกับวานอนเหล่านั้นพระโพธิสัตว์กราบทูลเป็นเชิงถวายโอวาทพระเจ้ากรุงพราราณสีกรุงพราราณสีว่าขอเดชะพระองค์ผู้ปราศึก ข้าพระพุทธเจ้าเป็นนายของเขาเป็นหัวหน้าเขาปกครองเขาเมื่อผูงวานนอนเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่กลัวพระองค์จะทำอันตรายข้าพระุทธเจ้าจึงต้องทำดังที่ได้ทอดพระเนตรเห็นนั้นให้เขาเหล่านั้นพ้นภยัยให้เขาปลอดภัยไงข้าพระุทธเจ้าแม้จะต้องถูกจับไปจองจำหรือถูกประหารชีวิตก็ยินดีรับโดยไม่ต้องเดือดร้อนอย่างใดเพราะเขาเหล่านั้นได้ยอมยกให้ข้าพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้า โอ้หความเปน็นหัวหน้านี่เนี่ยเป็นนายเป็นปู่จากปู่ของเขาเนี่นะเหมือนอย่างพระองค์นั่นแหละพระองค์เป็นราชามาหากษัตริย์ผู้ทรงปีชาพระองค์ก็ต้องสแสวงหาความสุขให้ผสมนิกรของพระองค์ตลอดถึงสัตว์พา น, านะากรบทั้งทั่วหน้าหากพระองค์จะเสวยสุขเหนือความทุกข์ยากของประสบนิกรจะเป็นการสมควรหรือพระองค์ก็ต้องทรงช่วยทุกบำรงสุขแก่ประสมนิกรทั่วหน้า เมื่อวานอนโอดัดกล่าวงั้นด้วยความบอบช้ําทนไม่ไหวก็สิ้นชีวิตตรงนี้ถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นอะไรรู้ไหมเห็นตัวกุศลศีลที่ตัวขันติสังวรทั้งหลายเลยที่มีกําลังมากขันติสังวรที่มีกําลังอย่างมากเนี่ยถ้าจะเรามองในชั้นของคำสอนเราจะได้เห็นบอกว่าการที่เราจะรักษาศีลเปอร์ที่แรกนี่นะเวลาหมด มาจะขับเน้นเรื่องการเจริญยังไงนะเวลาเหลืออีกประมาณ25นาทีเหลือเป็นประเด็นคำถามแล้วนะก็ไม่สรุปก็ไม่ประเด็นเห็นการในการเอาศีรานุสติมาเจริญก็เจริญในทํานองเดียวกันกับจากานุสติแต่เปลี่ยนบริบทเป็นศีลแต่การไข้ควรก็ต่างกันออกไปนะนี่ก็หมดเวลาเหลือเวลาประมาณ20นาทีขอปัญหา ของให้เพื่อนจะจะมีครัที่ห้านะคะถามตอบคาถามทั้งวันเลยค่ะจคะนะคะเก็บเก็บคำถามไปนะคะตอนนี้อาจจะถามไม่ได้ทั้งหมดเพรานั้นแ่ต้องถามย้อนไปในเช้าค่ะว่าท่านไม่เข้าใจว่าการํามานที่ไม่กระทบตงกับผู้อื่นหมยไอ๋อยเ็นอนตัวอย่างจะการคาว่ากระทบนั้นเป็นชื่อของเป็นชื่อของมารนะเป็นชื่อของทิฐิ กระทบตัวที่ทาน ต, ตัววัตถุทานก่อนแล้วก็กระทบตัวเจตนาทานของบุคคลอื่นด้วยกระทบวัตถุทานก็คือว่าเขาให้น้อยให้มากกระทบเจตนาก็ว่าคนคนนั้นให้ทานไม่ถูกคนคนนั้นให้ทานไม่ดีนะคนคนนั้นตั้งใจให้ทานจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูปนมือนานเลยไม่รู้บ่นอะไรก็ไม่รู้ขอจังเลย กระทบเขาไปกระทบเขาแล้วก็ไปกระทบตัวผู้รับเขาให้กระทบด้วยฉะนั้นการให้ทานเนี่ยกระทบตัวตัวเจตนาของบุคคลอื่นด้วยกระทบไปที่วัตถุทานของบุคคลอื่นด้วยเคาลบกระทบที่ปฏิกาหกคือผู้รับคุณเต้นด้วยแล้วกระทบตนเองวิธีกระทบตนเองก็คือว่าเราสู้เขาไม่ได้เนาะนี่ก็กระทบนะนี่มานะไฟฝฟไฟอ่อนไฟต่ํา เป็นผู้ยกตัวอย่างเราสู้เขาได้ยังไงเรามีน้อยเราสู้เขาไม่ได้หรอกหรือหรือว่าโอ้ยคนคนนั้นให้ทานนิดเดียวสู้เราไม่ได้เราสิ่ให้ทานมากกว่าเขาดีกว่าเขาประเสริฐกว่าเขาเลิศกว่าเขาเนี่ก็ขาเรียกกระทบตนด้วยแล้วกระทบผู้อื่นด้วยทั้งกระทบในด้านเจตนาทานในวัตถุทานด้ว ย, ววยตัวผู้รับด้วยแล้วก็กระทบตัวเองวัตถุทานตนเองด้วยเจตนานตนเองด้วยแล้วก็บุคคลที่รับเป็นต้น นี่เรพเขกระทบทานใครเคยทํำไหมเคยไม่เคยไม่เคยเนาะต่อไปก็อย่าไปทํานะผลปรากฏออกมาจะเป็นยังไงให้ทางโดยกระทบตัวและบุคคลอื่นจะทําให้มีซับแล้วก็วิบัติเพราะ จ, จระไพรอัคคีภัยปุทกภัยวาตภั ย, ภยนี่นะราชภัยแล้วก็มีทายาทไม่ดีมาทํำลายซับน่ากลัวไหมกระทบตัวแล้วบุคคลอื่น ถ้า น, น้ากลัวก็อย่าทำนายดีเคยทำมาไหมเคยทํามานะสังเกตดูนะเราถูกถูกทรัพเราเนี่ยถูกกระทบอยู่เรนะื่อยเนี่ยฉะนั้นต่อไปก็ อ, กอย่าทําอย่างนั้นอีกต่อไปให้ทําเป็นสัพพุริสถานทานของพุทธเจา้าทานของสัพบุตรที่ท่านท่านทรงทํเลยค่อาามีท่าน ถ, ถามว่าศีสมาธิปัญญาและถ้าเรากลับหลังหังนะเป็นสมาธิปัญญา ก็มามาก่อนอ่นี้คำสอนในเอนลกลับแบบไหนคือก า, ารออกซิเจนาี<อ>แล้วก็ปากลับหลองเล่นปัญญาขึ้นก่อนนี้ได้ไหาจคำว่ากลับนี้กลับโดยการปฏิบัติหรือกลับโดยการจะกลับเขียนเล่นใช่ไหมเ <c oughs> ออกลับโดยการที่นำมาปฏิ่มเจ้าของเจออนั่นไม่มีจอมผม่เจอ ครับคือการจริงๆ น, น, น, น, นะครับครับอะไรคือสมมุติว่าปัญญาเรามาขอนเลยอะ<โ>อเวราถึงจะสนใจจะึกับ ส, สมาธิอ๋อได้ไม่เป็นไรเลยเพราะมีความมีความเข้าใจใยกตัวอย่างคืออย่างนี้นะนยกตัอย่างเลยว่าสันตติมห า, มาหมานะสันตติมหาหมาน่ะเมา เมาเนี่มีศีลมามไห ม, ม, ไ, ม, มไม่มีหรอกนั่นแหละเ ม, มาเมาและเมาแอนมาเลยนั่นนะหละแต่จริงๆแล้วอยู่ต่อมาก็ที่ว่าตนเองเมาแล้วก็อยู่บนคอช้างตอนนั้นได้ได้คองราดได้คองราดแทนเขาเรียกว่าได้สำเร็จราชการแทนพระเยวินดินก็เมาขึ้นบนคอช้างเห็นพระบรมศาสดาสเสด็จบิณฑบาต เมาก็ยกมือบนนมถวายรายงานพระศ า, าสดาบนคอช้าว่าโอ้ยวันนี้ตัวเองเป็นพระเยาเป็นดินแล้วแล้วก็บอกว่าไม่สามารถลงจากจากช้างเนี่ยไปถวายบงงคมได้ในตำานอย่างนั้นพระบระมศ า, าสดาก็แย้มพระโอษพระแย้มพระโอษพระนลก็เห็นเห็นรัดรัดสนุภาที่อยู่ด้านหลังหมุน ก็ถามกาบทูนถามว่าพระบรมศาสดาว่าพระองค์แย่พระโอษด้วยเหตุอันใดหนอเลยพระบรมศาสดาก็บอกดูก่อนอานนท์บอกว่าเย็นวันนี้มหามาทันตติมหามาตที่แหละจะมาจะร้องไห้โทมนัสมาหาตถาคตแล้วได้ฟังธรรมบรรลุแล้วก็จักปรินิพานในวันนี้เห็นไ้ยตอนเย็น ตอนตอนเช้าเชเนี่ยยังเมาไปเลยอยู่นะแล้วก็ไปก็ที่ว่าให้นางสนมที่ตนเองรักมากฟ้อนลําตนเองก็ดื่มไปดูไปดื่มไปดูไปแล้วนางก็หัวใจวายล้มปากอ้าน้ําลายไหลตกใจตนเองรักมากผู้หญิงคนนี้ก็ให้โรหิตนะฮะให้อมาทไปดูว่าเป็นอะไรบอกว่านางตายแล้วแค่นั้นแหละเล่า แอลกอฮอล์ oh ol, ถูกไฟคือโทรสเาเผาเปรี้ยงเลยร้ อ, องไห้และทมทุกขหมโสกกาปริเทวะและบอกใครโน่ที่จะดับไฟในใจของเราได้โอ้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะดับไฟคือโสกกาปริเทวะพรานั้นและอุปายาตที่เผาหลนจิตใจของเราได้ก็นั่นแหละมาทั้งองค์คาวยม่มเข้ามาเฝ้าพระบรมศาสดา พ่อพระมราสัสดาก็แสดงธรรมพอแสดงธรรมเสร็จเสร็จก็ได้ไรูุ้เฮปัญญามาก่อนไหมเนี่ยเนี่ยปัญญามาก่อนอย่างนี้เป็นต้ น, นแล้นปัญญามาก่อนก็มาบําเพ็ญศีลที่หลังคนที่มีความเข้าใจบางคนไม่มีไม่เด็ดสมาทานศีลไม่ได้รักษาอะไรมาเลยนะมาฟังทำเนี่ยเกิดข้อมูลเกิดความรู้เกิดความเข้าใจขึ้นมาน่ะเข้าก็ไปบําเพ็ญสุจริตสามแล้วก็สามารถเป็นปัจจัยการพ้นจากวัฏทุท์ได้ ค่ะมีท่านสองท่านบ้านโผขึ้นท uh ่านอคนเก้องนเลยก็เลยเลยเหตุคาถามเลยก้เรียนถามท่านอาจารย์ทไงดีเจ้าค่ขึ้นบ้านนะะแล้วก็ิดสีข้อดุะจ๊ะมีบาปการอะไรจ้าคะมีผิดสองบ้านกัรโผขึ้นบ้านสองบ้านนให้พาแนะนำยังไง สี่ข้อหนึ่งเนี uh, ้ยแล้วท่านจะให้ทาอย่างไรครับผมก็ก็อย่าไปฆ่าสัตว์ก็เออคือปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาที่เป็นปัญหาที่หลายๆคนมักจะชอบถามจริงๆเพื่อไปที่ไหนก็แปลกดีถามเรื่องมดขึ้นบ้านปวกขึ้นบ้านอยู่เรื่อยเลยแต่จริงๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เราท่านทั้งหลายหาวิธีเว้นให้ดีนะ ทำยังไงที่เราจะไม่ไปเบียดเบียนเขาจะไม่ไปทําลายเขาที่จริงท่านสอนถ้าคนที่รักษาหรือเข้าใจคําสอนพุทเจ้าเขาป้องกันก่อนเขาป้องใจป้องกันก่อนที่สิ่งเหล่านี้จะเกิดปัญญาที่เกิดความรู้ความเข้าใจมีการป้องกันเวทแต่อย่างดีตั้งแต่ต้นทีนี้ประเอินถ้าถามบอกว่าเพิ่งมาศึกษาคําสอนพุทเจ้าตรงเนี้ยแล้วเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นตรงนี้ก็ไปศึกษาเรื่องสีนี่ดีว่าควรจะทํำยังไงนะ เพราะร า, ายละเอียดมันมีหลักปฏิบัติอยู่นะแต่เอาอย่างนี้ดีไหมนะถ้าสงสัยปัญหาลักษณะอย่างเงี้ยใช้เวลาแล้วให้ไปตั้งใจแล้ววิเคราะห์แล้วคิดจะตั้งหลักวิธีคิดยังไงรา ย, ายละเอียดมันเยอะใช่ไหมว่าเราจะไม่ไปเกี่ยวข้องมันนะ่ยว่าไม่ไปเกี่ยวข้องเพราะถ้าไปบอกกรณีอย่างนี้ขึ้นมาไปทำพลาดขึ้นมาคนบอกแย่เลยคนบอกแย่เลยเหมือนอย่างนี้นะยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งนะยกตัวอย่างเช่นพอ่อ อยู่ห้องไอซแล้วลูกไปตัดสินใจจะถอดสายอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นเรื่องที่จะต้องไปนั่งคิดนั่งวิจัยเยอะข้อตรงนี้ก็อย่าเพิ่งถามมาพราถามแล้วเรื่องยาวเลยมันไม่ก็อยากตอบในะตรงนี้เพราะมันเกี่ยวกับวางใจเดอยีไ่ไมฟังไม่ดีมาไปวางใจผิดตั้งท่าทีผิดขึ้นมาก็ยุ่งแล้ว เกี่ยวกับการวางใจให้เป็นแล้วต้องมาเรียนรู้เรื่องศีลให้เข้าใจนะเรียนรู้เรื่องศีลให้เข้าใจบริบทของจารีศีลอย่างไงว่าเรศศีมีงไงข้อห้ามสัตว์มีชีวิตรู้ว่าสัตว์มีชีวิตมีจิตคิดจะฆ่าทําความเพียรเพื่อฆ่าสัตว์ตายลงเพราความเพียรและมีองค์ประกอบยังไงจะครบกรรมบทไม่ครบกรรมบทวิธีวางใจใค้ควรยังไงมีรายละเอียดตรงนั้นอาจารย์ค่ะคำถามต่อไปขอความกรุณานอะาจารย์ ชี้เห็นความแตกต่างระหว่างศรัทธากับคำนั่งงงานออยแตก่างกั น, งงนอย่างไรกันเออศรัทธาศรัทธาที่เป็นศรัทธาที่ผิดพลาดเขาเรียกว่าศรัทธาเทียมเขาเรียกมิจฉาทิโมกตัวอธิโมกเจตสิกเนี่ยนะเป็นตัวเชื่อแต่เชื่อแล้วไม่มีปัญญานําหน้า ความเชื่อตัวนี้กลายเป็นมีตันหานำหน้ามีโมหานแท้จริงอะอาิมโมกที่เกิดอยู่ในโลภะที่เกิดอยู่ในเกิดอยู่ในโทสาโมหะทั้งหลายโดยเฉพาะคำ น, น